พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบรีนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจ a r า t u กร k o n ราชวิทยาลัยพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ส่งขุนที่เรียนท่านผู้บริหาร ค้าจารยารเจ้าหน้าที่พระนิสิตในมหาสมาคคมนี้ซึ่งมีท่านเจ้าขุนพระราชปริยัติกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชชุดยาทลัยเป็นต้นขอเจริญพรท่านศาสตราจารย์ราาพิเศษจำนมทองประเสริฐ ท่านกรรมาการสภาหมหาวิทยาลัยท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนสิสิตฝ่ายครือักทุกท่านวันนี้เราได้มาร่วมพิธีในการเปลี่ยนถ่ายการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชเทัย การที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมและอดีตอธิการบดีที่มามอบงานต่อให้ท่านอธิการบดีรูปใหม่อย่างเป็นทางการก็เป็นที่เข้าใจกันว่ามหาวิทยาลัยของเราได้เข้าสู่ยุคการ เปลี่ยนแปลงที่เราเรียกกันว่า Transition Period ครั้งหนึ่งหลังจากที่เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจราลงกรราชยาลัยพุทธศราน 2,540 ซึ่งตอนนั้นผู้พูดก็ได้รับพาระรับไม้จากท่านเจ้าคุณ อดีต อ, อ, อธิการบดีก่อนหน้านั้นพระราชรัตนโมลีเพื่อทาหน้าที่อธิการบดีต่อมานับมาจนปับันนี้ยี่สิบปีห้าสมัยด้วยกันตั้งแต่คุณโยมคุณหญิงสมปองวันนิสสอน มาถวายที่ลินตรงนี้ให้ช่วยสร้างสำนักงานใหญ่ที่หวังน้อยเนี่ยจากท้องทุ่งจนปรากฏรูปร่างอยู่ในปัจจุบันภาระหน้าที่ในการก่อสร้างก็ทำให้เป็นอธิการบดีมาหลายสมัยพอครบสี่สมัยก็ตั้งใจว่าจะวางมือละ 16ปีสร้างก็เสร็จอะไรก็เสร็จก็ประจวบกับช่วงนั้นน้ำท่วมก็ต้องปรับปรุงอะไรอีกก็เลยต่อมาอีกหนึ่งสมัยเป็นหสมัยเมื่อเริ่มเป็นในสมัยที่ห้าก็ตั้งใจว่าพอแล้วโดยได้ส่งสัญญาณไประยะระยะ เวลาที่เป็นวิทยากรบรรยายที่นี่หรือที่ใดก็ตามเขาให้ทำประวัติวิทยากรก็จะใส่ในประวัติว่าเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาเจลาลงกรห้าสมัยซึ่งข้อความนั้นเนี่ยเขาก็ไปใส่ไว้ในวิกิพีเดียตั้งสี่สี่ปีมาแล้วถ้าท่านไปเปิดดูก็จะเห็นว่ามันเขียนแช่ไวห้าสมัย ซึ่งปกติถ้ายังไม่ครบเขาไม่ใสกันหรอกแต่เป็นการส่งสัญญาณถ้าไปเปิดวันนี้ท่านจะเห็นมันสามสีป่ปีอันน่าจะสี่ปีละว่าเป็นแค่ห้าสมัยมันแค่เลขห้านั่นก็เป็นข้อแรกที่ส่งสัญญาข้อที่สองท่านทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของเราก็คงจะจำได้ดีและคุ้นกันว่า เมื่อพระพรหมัดิตในฐ า, านะอธิการบดีได้ขึ้นพูดบรรยายที่ใดก็ตามจะบรรยายในลักษณะรรม KM Knowledge Management ถ่ายทอดวิทยายุท์ความคิดแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราอย่างหมดเปลือกเพื่อส่งต่อให้ท่านทั้งหลายทำงานกันต่อ ถ้าท่านทั้งหลายบันทึกเอาไว้เนเกือบไม่มีอะไรที่จะต้องมาบอกมาแนะกันเลยในทุกเรื่องทั้งเปรายลักษณ์อักษรทั้งเป็นคำพูดมีหมดและต่อมาเมื่อมีคณะกรรมการสรรหานําโดยที่สภาแต่งตั้งนําโดยพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีซึ่งอยู่หน้าที่นี้มีท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐเป็นกรรมการอยู่ด้วยเป็น ที่เราเรียกกันว่าเป็นอาจารย์อุโศของเราที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้บริหารต่อท่านพระเดชพระคุณพระพรบโมรีก็มาถามน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษา ย, ยนเพราะว่าหมดเขตในการเป็นทธิการบดีเดือนพฤษภาคมท่านก็มาถามว่าจะเป็นต่อไหมก็ตอบท่านว่าพอแล้วท่านเจ้คุณพระปรมโมรีก็ชักแม่น้าทั้งห้า มาขอให้เป็นต่อก็ก็ชักไปนะท่านถ้าต่อท่านไปจนท่านยอมแล้วท่านก็ขอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้งานใหญ่สองงานเสร็จก่อนค่อยลงจากตําแหน่งท่านอยู่หน้าที่นี้ด้วยงานแรกก็คืองานประสาทปริญญาซึ่งมีประมุขสง์ทั่วโลกมารับปริญญาขอให้อยู่ในตําแหน่งอธิการ อยาให้กับเพื่อน ง, งานที่สองท่านขอให้เสร็จวิสาขาบูชาโลกอย่าเพิ่งเปลี่ยนอธิการบดีเพราะว่ามีผู้นำชาวพุทธทั่วโลกมาก็เลยต้องเงียบพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะท่านบอกว่าอย่าพูดเดี๋ยวมันกับเพื่ออันนี้ท่านสั่งนะเพราะแขกทั่วโลกมานะ่ะอันนี้ก็ต้องต้องว่าจะถูกจะผิดอย่างไงที่ไม่ได้บอกกันจนวิสาขบาโลกเนี่ย ต้องโทษท่านท่านท่านไม่ให้พูดพอเสร็จงานวิสาขาบูชาโลกก็สบายใจก็ประกาศว่าไม่รับตำแหน่งแล้วผ่านหน้าห้องกับที่การบดีบ้างหรือให้ท่านจะคุณพรมโมลีช่วยบอกต่อบ้างก็นึกว่าคนจะเชื่อนะว่าจะออกจากที่การบดีพอไปไต้หวันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมถึงได้รับทราบว่า ประชาชน ม, มหาจุลายังเชื่อว่าพระพรมบดิตจะรับต่ออีกนะอย่างน้อยสองปีเขาว่าอย่างนั้นเขารู้ดีกว่าเราอีกออมีการมีการไปบอกว่าจะอยู่อีกสองปีจนอายุหกสิบห้านะเอ๊ะมันไม่ดีแล้วมั้งบอกกับหน้าห้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องส่งสัญญาณว่าไม่รับแน่ๆแล้วจะทํำยัำยงไงก็สั่งหน้าห้องบอกขนของตับวัดให้หมดเลยในห้องงานที่การบดีเนี่ย มีของอะไรที่มันเป็นส่วนตัวที่อยู่ในห้องอธิการเนี่ยให้ทยอยขนนะซึ่งก็มีเยอะพอสมควรทําให้แตกตื่นกันหลังจากนั้นจึงเริ่มเชื่อว่าพระพรหมบัณฑิตเนี่ยไม่รับตาแหน่งอธิการบดีต่อต้องส่งสัญญาณหลายๆอย่า ง, างส่วนใครจะมาเป็นต่อนั้นเป็นเรื่องของคณะกรรมการสรรหาเพราะว่าพี่น้องอยู่ด้วยกันเนี่ยนะ รักใครกันรู้จักกันหมดพระพรหมโมเรเป็นพยานได้ว่าไม่เคยไปแทรกแซงแล้วแต่ท่านไม่เคยถามด้วยว่าท่านจะเลือกใครจนถึงเข้าสภามาวิทยาลัยเพราะว่าเรารักกันทุกรูปทุกคนแล้วแต่ประชาคมจะไว้วางใจใครอันนี้ท่านเป็นพย า, ยานได้ท่านพยักหน้าอยู่นี่เนี่ยไม่ขยักหน้าก็หน่าดูแหละทีนี้พอเข้าไปชมสภาในวันที่ 24สภากรรมการสภาก็ถามว่าทำไมพระพรหมบัณฑิตไม่รับเป็นอธิการบดีต่อก็ได้แถลงในสภาซึ่งตอนแถลงตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า off เ e c o r d คือไม่บันทึกเพราะแถลงเสร็จกรรมการท่านนั้นเปลี่ยนใจบอกขอให้ถอดเทปบันทึกเอาไว้ด้วยเป็นประวัติศาสตร์ก็พูดพอสมควรแต่ประเด็นหนึ่งที่ อยากจะมาพูดซ้ำในวันนี้นอกจากจะไปดูในบันทึกสภาถ้ามีนะหมายถึงบันทึกเทปได้เนี่ยก็คือเล่าความในใจให้ฟังในสภามหาวิทยาลัยถ้าจะจำนวงก็อยู่ที่นั่นก็เป็นพยานได้ก็บอกว่าตอนที่รับตำแหน่งอธิการบดีใหม่ๆเนี่ยมหาวิทยาลัยได้อาราธนา อดีตมหานายกาศของศีลังกามารับปริญญาดุสดีมณีกิติมศัก์ชื่อพระอานันทไมตรีมารับปริญญาในห้องประชุมที่พุทธมนตรแล้วท่านยังขึ้นกล่าวสปีชด้วยในตอนนั้นเนี่ยท่านอายุหนึ่ง้หนึ่งปีแต่เมตตามารับปริญญาที่มหาจุฬาถวาย ก่อนที่ท่านจะมารับปริญญาเนี่ยได้มีความคุ้นเคยและก็สนทนาก่อนหน้านั้นกับปีสองปีก็ถามเคลดลับในการที่ท่านมีอายุยืนท่านก็บอกว่าท่านปฏิบัติกรรมฐานท่านปล่อยวางท่านมีเมตตาสมกับคำว่าอนันทมัตรีเลยก็ถามให้ท่านอายุยืนและความที่ท่านมีอายุยืนเนี่ยท่านเป็นมหานายกะนิกายหนึ่งของสีลังกา แล้วพอท่านเป็นมหานายากาตอนอายุยังไม่มากก็ปรากฏว่าอนุนายากาหรือรองมหาไนายากาเนี่ยมรณภาพกันไปทีละองค์สององค์ไม่ไม่ได้เป็นมหาไนายากากันสักทีหนึ่งเพราะว่าลูกพี่อายุยืนเกินเออจนลูกน้องเนี่ยตายไปทีละองค์ละองค์ท่านก็เป็นห่วงว่าเขาจะไม่ได้เป็นมหาไนายากาท่านเลยลาออก เรื่องนี้ฝังใจมานานก็มา น, นึกว่าเรานี่เป็นอธิการบดีมานานนะรองอธิการบดีนี่กเกษียณไปทีละรูปสองรูปบอรณภาพไปก็มีนะ่ะถ้าเราอยู่ต่อไปนี่น ะ, กะเกษียณหมดนะพวกนีนะ้ไม่ได้เป็นหรอกเพราะฉะนั้นอุตสาห์ทํางานมาด้วยกันเนี่ยเรานึกถึงอะไรแคลริอัพารการจเจริญก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยถ้าสูงมันไม่ขยับไอ้ข้างล่างมันไม่ได้เลื่อน นี่เสียสละนะอพูดในสภานะเพื่อเพื่อให้เขาได้ขึ้นกันมาบ้างถนะ้าเปงั้นจะมามอบอธิการบดีให้คนอื่นได้ยังไงถ้าตัวเองไม่ขยับอาจารย์จำนงเรียกว่านัดทีปัจจัยเนาะออการที่เราจะไปเป็นอะไรได้ไอ้ตรงนั้นมันต้องว่างก่อนไม่มีไม่มีตำแหน่งอะเรวิคตาปัจจัยก็ได้เพราะฉะนั่งอธิการบดีเก่าต้องไปอยู่ทำไมนานแล้ว ก็ให้คนอื่นเขามาทำหน้าที่ต่ออันนี้แถลงในสภาหมหาวิทยลาลัยก็มาเล่าให้ฟังซ้ำอีกและในการที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ต้องการให้มหาวิทยลาลัยซึ่งปัจจุบันนี้มันใหญ่โตมากมีวิทยาเขตวิทยลาลัยสงมีหน่วยงานรวมแล้ว40กว่าจังหวัดต่างประเทศก็มีอีก5ประเทศเนี่ยมันอยู่ด้วยอาศัยตัวบุคคล ถ้าท่านอยู่ด้วยอาศัยตัวบุคคลเนี่ยวันหนึ่งคนมันก็อยู่ไม่ได้ธรรมชาติมันก็ต้องจากกันไปเราต้องการสร้างระบบ System ระบบนั้นไม่ได้พึ่งตัวบุคคลใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยแต่ถ้าระบบเข้มแข็งงานมันจะต่อเนื่องและถ้าอธิกรารบดีอยู่ในตำแหน่งนานเกินไปจนระบบอ่อนแอเนี่ย และใครยจะมารับช่วงต่อเมื่อถึงเวลาต้องไปจริงๆอันนี้คือสิ่งที่คิดในใจฉะนั้นได้วางระบบไว้พอสมควรให้กับมหาจุฬาด้วยคำว่าระบบนี้รวมถึงระบบะสาธารณูปโภคระบบอินฟาสเตรเจอร์โครงสร้างอาคารสถานที่ไม่ต้องห่วงแล้วละ่ะวางระบบไว้หมดแล้วระบบบริหารระเบียบอะไรต่างๆมิหมด แต่ผู้ที่รับช่วงต่อจะรักษาระบบได้ต้องใช้ธรรมมาพิบัติ g o ก e r เวนซ์มันถึงจะรักษาระบบได้จะแม้จะไม่ได้เขียนเป็นลายลักษอักษรนะแต่ตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระพรหมบดิตเนี่ยบริหารด้วยธรรมมาพิบัติกฎการเวนซ์กฎการเวนซ์ที่อยากจะให้ผู้บริหารชุดใหม่ทำต่อเนี่ย มันจะมีอยู่หข้อด้วยกันและถ้าท่านบริหารมาด้วยกันเนี่ยนะก็จะนึกออกแม้ว่าจะไม่ได้เขียนเป็นลายล่างสอนรข้อแรกการมีส่วนร่วม participation มหาวิยายนี้ต้อนรับทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้ามาอยู่ภายใต้ประชาคมด้วยกันให้พวกท่านมีบทบาทมีส่วนร่วมในการมีทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ โดยการเข้าไปแทรกแซงของผู้บริหารระดับสูงน้อยที่สุดโดยเฉพาะวิยาเขตวิยาไรสงห้องเรียนเนี่ยเราวางระบบระเบียบไว้แล้วท่านทมของท่านให้มันตามระบบของเราเนี่ยเราจะช่วยโอกุ้มช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ในส่วนกลางเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากตอนที่ทางานที่วัดมหาอาตอนนั้นไปรองอธิการบดี พระกฏว่าเรามาเถียงแย่งกันเรื่องห้องทํางานจะเปิดหน่วยงานใหม่เนี่ถามว่ามีห้องไหมก็เถียงกันไปช่วยเถียงเขาบางหน่วยงานเขาได้ห้องออกมาเช่นบัณิตวิทยาลัยของตัวเองและก็หลักอื่นๆแล้วสังเกตดูนะกว่าจะได้ห้องทํางานก็ลำบากพอได้มาแล้วนัหน่วยงานนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วแสดงว่าเขาเก่งมหาวิทยาลัยสองมีบุคลากรที่มีคุณภาพ แตกขาดเวทีแสดงอยู่วัดมหาธาตุเนี่ยมันเป็นปลาใหญ่อยู่ในน้ํำตื้นครับเปรตพระพุทธก็เลยขออนุญาตย้ายมาสร้างตรงนี้เพื่อสร้างเวทีให้คนมีฝีมือทั้งหลายได้แสดงคนมาถามว่าทําไมสร้างหอประชุมใหญ่ทําไมสร้างอาคารเรียนใหญ่บอกเธอนะีแล้วจะรู้เองเดี๋ยวมันก็เต็มเพราะมันโตเร็วและมันก็จริงเดี๋ยวนี้เนะ่ยเต็มหมดแล้วต้องสร้างเพิ่มอีก อันนี้ก็คือว่าสร้างเวทีให้ท่านแสดงและให้พวกท่านมีส่วนร่วมและคงจำได้ว่าเวลาอธิการบดีองค์กรปัจจุบันเนี่ยเคลื่อนอมาเนี่ยพระพรหมบิตพูดเลยนะจะพูดประโยคหนึ่งว่า CP พเนี่ยท่านประธานธนินเจรวรนต์เนี่ยเขาบอกว่าคนเก่งทั่วโลกเป็นของซ p พ ไม่ว่าไทยอยู่ที่ไหนเอามาช่วยงานหมดนั่นเท่ากับบอกว่าพระเก่งๆคนเก่งๆมาเป็นของหมจรอแม้ว่าเราจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างเคยขัดแย้งกันบ้างทะเลาะกันบ้างด่ากันบ้างแต่ขอให้มามีส่วนร่วมหัวใจก็คือความสามัคคีเรามีคนเก่งเยอะทำยังไงจะให้คนเก่งเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วมหาจุฬามันจะไปเองผู้บริหารเพียงกาหนดทิศทาง นี่คือเรื่องที่หนึ่งการมีส่วนร่วมเรื่องที่สองโปรง่งใสโปรง่งใสที่เรียกว่าทางการยุติธรรมเนื่องจากเราเราเป็นประชาคมใหญ่ถ้าเรางบงิบตัดสินใจทํากันอยู่ไม่กี่คนเนี่ยนะมันจะเสียพวกเพราะเขาไม่ได้มีส่วนร่วมเขาไม่ได้รับรู้และก็จะทําให้เกิดความไม่มั่นใจในความสุจริต เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องชี้แจงได้ตรวจสอบได้และถือเอาเวทีที่เราสร้างระบบเอาไว้เนี่ยเป็นเวทีตรวจสอบกันด้านก า, การเงินเรามีคณะกรรมการการเงินที่เข้มแข็งด้านบริหารเรามีกบมกรรมการบริหารงานบุคคลด้านวิชาการเรามีสภาวิชาการแล้วเรในด้านของการจัดสรรงบประมาณอย่างเช่นวิยาเขตไหนวิยาย ไ, ไหนควรจะได้งบก่อสร้างเนี่ย เรามีคณะกรรมการกำกับ น, น, น, น, นโยบายและแผนจัดสรรกันไปและรู้ว่าปีไหนใครจะได้และผู้ที่กำหนดแนวนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยคือสภามหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดทิศทางถ้าระบบเหล่านี้ทำงานเนี่ยนะเราไม่ทะเลาะ ก, กันบางครั้งเนี่ยจะบอกให้ในฐานะที่กายมดีนี่ฝ่ายนี้เสนอมาขอทำอันนี้นี้อนุมัติไป อีกฝ่ายหนึ่งมาฐานเกิดชงักงินเนี่ยถ้าขืนเดินหน้าต่อไปเข้าข้างฝ่ายนี้เข้าข้างฝ่ายนั้นทะเลาะกันก็ยังไม่ตัดสินให้ไปคุยกันให้ยุติก่อนว่าจะทํำยังไงปรากฏว่าคุยกันปีหนึ่งไม่รู้เรื่องไม่ยุติในฐานะอธิการบดีก็รู้อยู่แล้วจะทํำยังไงเอาเข้าคณะกรรมการการเงินเอาเข้ากบมตัดสินจบเลยแต่ยังไม่บอกก็จะทําอย่างนั้นนะ หลายเรื่องเนี่ยท่านคงเลือกออกอะ่ะใครทะเลาะ ก, กับใครเนี่ยรู้แล้วก็บอกอธิการบดีไม่เห็นทาอะไรเลยใจเย็นใจเย็นไม่ออกรอให้พวกท่านแก้ปัญหา ก, กันก่อนบางเรื่องเนี่ยสามปีนะท่านสร้างไม่สาเร็จออกแบบอันนี้ราคาแถวนี้ออกแบบอันนี้นี้จนสอตองอทวงเงินแล้วโฉมกันอีกอธิการบดีบอกไปแก้ปัญหา ก, กันนะไม่อยากจะหักพอเนะพอครบสามสีป่ปีก็บอกอ ส, สอตองงก็ทวงเงินคืน ทางบางท่านก็นบอกระวังอย่ามาโดนเมตรา44นะไม่ทำอะไรเนี่ยอธิการบดีก็ประกาศใครที่มาขัดแย้งทะเลาะกันประมวลเรื่องทั้งหมดเอาเข้าสภ า, ามหาวิทยาลัยให้สภ า, ามหาวิทยาลัยตัดสินว่าจะเข้าข้างใครใครถูกใครผิดว่ากันพออธิการบดีสั่งเด็ดขาดเท่านั้นยอมกันเองท่านไม่ขอเข้าสภ า, าและจบ สร้างเป็นในอะไรเนี่ยพิธภัณฑ์ไม่ใช่ห้องสมุดนานาชาติเจดี JD เนี่ยนี่คือตัวอย่างที่เรามีระบบที่โปรง่งใสแต่บางทีผู้บริหารต้องใจเย็นวิฉะนั้นมันก็ชนกันเพราะเราใหญ่มากโปรง่งใสตรวจสอบได้ข้อที่สอข้อที่สามรับผิดชอบเอ็กซ์คาสเตเบลิตี้เนี่ยจะสังเกตว่าในฐานะอธิการบดีเนี่ยมอบให้รอ ง, ององไหนเป็นใหญ่ด้นยนะ จากก้าวไายน้อยแต่จะเรียกมาตรวจสอบให้ทำงานทั้งวิยาเขตทั้งวิยาไรสงนะเพราะทุกท่านเก่งมีฝีมือสแสดงศักยภาพกันเต็มที่แต่อย่าไปเกะกะร้ารานกันบานทันธุง น, นึกออกรหรองอธิการบดีท่านนี้อยากจะได้คนก็นตัวเองมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ฝ่ายอื่นลุกข้ค้านหมดในฐานเสียงส่วนใหญ่ไม่ยอมแต่ในฐานอธิการบดีบอกว่าพวกท่านทำไมอาจจะพวกตัวเอง แล้วคนนี้เขาอยากได้คนมาสนองงานเขาทำไมไม่ให้เขาเขาเรียกว่าทุกต๊ะเขาก็ยอมกันอย่างนี้เป็นต้นก็คือใครรับผิดชอบต้องให้เกียรติซึ่งางานและกันแต่ถ้าผิดพลาดเราก็ต้องดึงดึงด ง, ด ง, ด ง, งานตับนะเราจะต้องในฐานะผู้บริหารนี่คือรับผิดชอบข้อที่สาข้อที่สี่หลักนิติธรรมด h รู u l e of l อ w มหาวิเลยเราเป็นองค์กรใหญ่ตัดสินด้วยความเห็นส่วนตัวขาที่การบดีไม่มีทางอยู่รอดทัน ถ้าท่านตัดสินบริหารไปตามกฎระเบียบข้อบังคับไม่เลือกที่รักมักที่ชังจะไม่ทะเลาะกันการให้รางวัลลงโทษเนี่ยไปตามระเบียบกี่ขั้นสองขั้นอะไรก็ตามระเบียบไม่ใช่มาวิ่งเต้นอธิการบดีก็จะได้เราจะไม่ทะเลาะกันเ้าเรียกหลักนี้ดีทำมดรูนรับรองและเดรูนรับรอเนี่จะรักษา ม, มหาวิทยาลัยอยู่ได้ ใครจะมายุกก็ไม่ได้เพราะว่าท่านทําตามพระ บ, บิดพจและเบียบหรือธรรมะมันจะรักษามหาวิไลตรงนี้ท่านต้องดูลุลับรอกทั้งกฎพระเราอยู่ได้ด้วยพระธรรมวินยัยกฎหมายและกระจารีดอันนี้คือดูลุลับรอกสภาคเคยว่าอย่างไรไว้ใครว่ายัางไงไว้เอามาดูและเดินตามนั้นเน่ยจะปลอดภัยแล้วข้อต่อมา เขาเรียกว่า merit system ระบบคุณธรรมระบบคุณธรรมเป็นสิ่งที่สร้างอยู่ในใจมาตั้งแต่เป็นรองอาธิการพอดีแล้วจะไม่เอาคนมาทำงานเพราะเป็นพักเป็นพวกไม่ใช่ว่ามาในสายเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกันอะไรต่างๆหรือจบมหาจุราเดีวยวกันใครก็ได้มีความรู้มีความสามารถด้วยระบบเ e r ิตมีคุณธรรมมาทา เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไม่ชอบอธิการบดีที่ผ่านไปเนี่ยคือตรงในเรื่องของคนมันไม่มีการเอียงแม้บางคนเนี่ยส่วนตัวเขาจะดา่าเราเนี่ยนะเคยด่าด้วยเอามาใช้ทำงานหมดขอให้คุณทำงานดีมันไม่ได้มีการจดจำว่าเคยทะเลาะกันเคย อ, อะไรกันเลยอันนี้คือคุณมีความสามารถคุขึ้น เราจำเป็นที่จะต้องใช้พักพวกบ้างแต่ให้มนันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยแล้วองค์กรเราจะอยู่ได้ตรงนี้เองที่ที่มาถึงประเด็นในการทำงานในมหาจุฬาทั้งหมดน่ทำามาอย่างนี้และเมื่อจะคัสรรอธิการบดีใหม่ก็ใช้หลักการนี้คือไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วแต่กรรมการสรรหาพระโรมโมรีศาสตราจารย์จมนงเจ้าใคร เมื่ อ, เ, อเพื่อพระเรกพระคุณพระมหาปูนที่วงศาอาจารย์ทราบการเปลี่ยนแปลงอธิการบดีท่านถามว่าเลือกกันยังไงก็ตอบท่านว่าสภาตัดสินเอาแล้วก่อนจะสภาสัจสินทํำยังไงบอกมีกรรมการสรรหากรรมการสรรหาเขาจะตกลงกันเองเขาจะเอาใครเขาจะอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ใช่พระพรมดีจะต้องไปเป็นพี่เลี้ยงตลอดใครก็ได้ทำไปเถอะแต่มหาวิทยาลัยที่เลือกกันมาต้องรับผิดชอบกันอีกต้องดูแลท่านอธิการบดีใหม่กันต่อไป ไม่ใช่พระพรมบดีจะต้องมาเป็นภาระรับภาระตลอดเพราะว่าทําเป็นแนวไว้เยอะแล้วอันนี้คือเมื่อรีสิสเตมเมื่อคนมีความรู้ ม, มีความสามารถขึ้นและพิสูจน์กันด้วยฝีมือและแตําแหน่งอธิการบดีคงไม่ได้ผูกขาดว่าจะต้องรูปนั้นรูปนี้คนไหนมีฝีมือทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ลงก็แค่นั้นแล้วองค์กรมันอยู่ได้มันจะเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เกี่ยวกับสํานักนี้วัดนั้นวัดนี้ ไม่เกี่ยวเมื่อตัดสินเลือกกันแล้วฝ่ายเลือกฝ่ายสภานั้นก็ต้องรับผิดชอบกันช่วยกันประคับประคอบในฐาน ะ, ะที่เป็นอดีตที่การมาดีก็ขอพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้นี่คือเมริซิสเต็มระบบคุณธรรมมันจะต่างจากสปอยล์ซิสเต็มแปลว่าระบบอุปถัมระบบอุปถัมก็คือพรรคพวกและระบบอุปถัมคือชนะไหนกินเรียบใครเป็น ผู้นำเอาแต่พวกตัอเองมาหมดคัดคนอื่นออกอย่างนี้ไม่ได้เราเรียกระบบประถมใครเป็นใหญ่ต้องระบบคุณธรรมเพราะฉะนั้นก็ดีใจอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยท่านอธิการบดีใหม่เนี่ยท่านก็ยังดูแลให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ทำงานกันต่อแต่ต้องพิสูจน์พิมือนี่คื อ, เ, อเรื่องของระบบคุณธรรมสุดท้ายก็คือระบบประสิทธิภาพประสิทธิผลประสิทธิภาพก็คือ ประโยชน์สูงประหยัดสุดลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากเราจะสร้างอาคารหลังนี้เราต้องวางแผนอย่างดีไม่ใช่สร้างแล้วทุบทีละจุดสองจุดมันเสียเงินเสียทองประโยชน์ใช้สอยฟอร์มเอ็ฟังชันน่ะรูปแบบอาคารมันจะเป็นอย่างไรฟังก์ชั่นเป็นอย่างไรฉันใดงานทั้งมหาวิเลยมันจะต้องวางแผนเพราะฉะนั้นเรื่องของการวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการเรื่อ ง, องต่างๆต้องละเอียดยิบเพื่อเกิดประสิทธิภาพและโดยเฉพาะคุณภาพ เขาเรียกพอลิตี้เอเจคชั่นคุณภาพการศึกษาเราต้องประกันแต่บางเรื่องท่านอย่าไปห่วงเรื่องเงินทองมากนักว่ามันแพงเพราะเรากํานึงถึงประสิทธิผลอย่าไปติดแต่ประสิทธิภาพเรื่องบางอย่างมันอาจจะลงทุนเยอะแต่มันมีประสิทธิผลมากเหมือนกับว่าเราทําไมเราเราเข้าโรงพยาบาลแพงเอกช น, นต่างๆเพราะมันรักษาได้เร็ว เสียเงินก็ต้องยอมเพราะมันมีประสิทธิผลในทานองเดียวกันโครงการบางโครงการต้องฝากไว้มันเป็นหน้าเป็นตาและสร้างมหาวิทยาลัยให้มันเป็นระดับอินเตอร์อย่างเช่น อ, อ, อ, อ, อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นโครงการวิสาขาบูชาโลกวิสาขาบูชาโลกเนี่ยรวมถึง iabu สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานนานาชาติเนี่ยนะเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเวที ที่ทําให้ชาวโลกเนี่ยมาเรียนกันที่มหาจุฬาท่านลองคิดดูว่ายี่สิปีที่แล้วมหาวิทยาลัยของเรา ไ, ได้พรบเราจะแซงมหาวิทยาลัยในประเทศขึ้นมาบางเป็นมหาวิทยาลัยเท่าเทียมกับเขากับแชมป์เก่าเนี่ยมันไม่มีช่องทางเลยในประเทศเขามีแชมป์หมดแล้วในด้านนี้ด้ามหาวิทยาลัยนี้ด้านนี้มหาวิทยาลัยนี้มหาจุฬาไม่มีเวทีในการที่จะเทียมเทียมบาดเทียมไหรกับเขาเขาจะมองว่าเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ถึงจะเราตั้งมานานก็ตาม แต่การมองอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราจะสาโค้งอ่ะมันขึ้นธรรมดาไม่ได้จะให้เป็นมหาวิทยาลัยเกรดสูงสูงไม่ได้หรอกถ้าถ้าตามหลังเข้าไปเรื่อยๆเราจะต้องสาโค้งขึ้นนานาชาติเลยแล้วเมื่อเราจัดนานาชาติบ่อยๆเนี่ยคนต่างประเทศมาให้ความรู้ความสามารถแกเราเรา เ, เราได้รับรแรงกระตุ้นจากต่างประเทศเราอยู่เฉยๆแล้วเราก็พัฒนาตัวเราเองจนเมื่อถึงจุดปัจจุบัน ที่ทําให้เราเนี่ยเป็นนารันธาในในยุคนี้ก็คือทั่วโลกมาเรียนกับเราเพราะอะไรเพราะเราใช้ในโยบายประสิทธิผลทํางานวิสาขาบุญโชคให้ประสบความสำเร็จไอเอให้ประสบความสำเร็จมีภายในไปดกฉบับสากลมีอะไรต่างมันไปทั่วโลกท่านแพงท่านก็ต้องลงทุนอย่ามาบ่นว่าโอ้มันอย่างว่นอย่างนี้ไม่มีคนต้องพัฒนาคนให้เก่งในเรื่องภาษาต่างประเทศ อย่างนี้ท่านก็ได้ทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลและด้วยระบบธรรมาิบาลดังที่กล่าวมา6ข้อนะก็คือการมีส่วนร่วมโปร่งใสรับผิดชอบหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมและก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยได้ทํามาตลอดและทําให้มหาจุฬาเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ และก็หวังว่าผู้บริหารชุดต่อไปโดยเพราะท่านณธิการบดีพระาพราชริยติกวีก็จะได้ดําเนินนโยบายในเรื่องของธรรมมาพิบาลที่จะคุ้มครองรักษามหาวิทยาลัยของเราต่อไปธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติรธรรมฉันใดเนี่ยนะธรรมมาพิบาลก็รักษามหาวิทยาลัยฉันนั้นเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ถ้าจะมีอะไรฝากคณะบริหารชุดใหม่ก็คือเรื่องของธรรมมาพิบาลดังกล่าวมาฝากสภามหาวิทยาลัยสภาวิชาการ และก็กรรมาการอื่นโดยเฉพาะได้ทราบว่าจะมีกรรมาการบริหารมหาวิยาลัยขึ้นมาเป็นอีกระบบหนึ่งที่จะมาช่วยให้การบริหารงานได้กระชับยิง่งขึ้นก็ขออนุโมทนาและด้วยความปรารถนาดีส่วนตัวขอขอพวกเราทุกรูปทุกท่านตั้งกระยาณาจิตอธิษฐานทร้านบุญภาษีและตะนตาจรและบุญกสศลที่เราทุกรูปทุกคนได้บําเพ็ญมาจงมารวมกันเป็นตบะบะเป็นเดชเป็นพลวะปัจจัอยอํานวยอวยพรให้ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรูปใหม่พระราชปริยัติกุีอาจสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคทวารทรายทั้งปวงประสงค์จําำงหมายสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยก็ให้พันสําเร็จ สมโมรตมุ่ง ม, มาปราถนาทุกประการตลอดกาลและนานเทิน